อมตะผู้นั้นก็ชื่อว่าได้แล้วแต่ถ้าผู้ไม่เจริญกายยัคตาสติก็ชื่อว่าไม่ได้ดื่มอมตะนั่นเองความไม่มีความหิวความกระหายบีบคั้นอันนี้เป็นนิมิตมีความสุขในสุขในวิมุตติเนี่ยนะสุขในสมาบัติสุขในสามัญผลสุขในโสดาปติพนสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผล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 ทำใจไม่ได้เลยไปเห็นคนแก่เกิดมาไม่เคยเห็นเนคนแก่แลยเนี่ยทุกคนไม่ต้องแก่อย่างนี้หมดเลยหรือเรียกว่าคือท่านเป็นคนเก่งไงท่านเห็นคนแก่หนึ่งคนเนี่ยนะถ้าพูดแบบสมัยใหม่เนี่ยเขาเห็นโครงเห็นกะโหลกปั๊บเนี่ยนะเขาเขาสมมุติฐานได้เลยว่าถ้าเนื้อมาแปะปั๊บเอาเนื้อมาแปะปั๊บเอาหนังมาแปะหน้าคนนี้จะเป็นยังไงเขาเดาถูกได้เลยสมัยใหม่นะหลักฐานสมัยใหม่เห็นแต่กะโหลกมาอย่างเดียวเนี่ยเขาสามารถสร้างหน้าขึ้นมาได้เลยว่าหน้าคนนี้ควรจะเป็นอย่างไร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 เป็นคนแก่ทั้งนั้นอนะ่ะทุกคนมันจะต้องแก่หมดแม้เราก็ต้องแก่แม้แต่พระฉายาของเราก็ต้องแก่พ่อของเราก็แก่พระเจ้าปู่ย่าทุกคนแก่หมดเลยเนะี่ยมองเห็นโลกทั้งโลกมีแต่คนแก่ทั้งหมดเนะี่ยถามว่าทําใจยังไงกันเนี่ยนึกเลยทุกคนป่วยหมดเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับทุกคนไนดะ้รับโรคระบาด ท, ที่มันทุนแรงกันทุกคนเลยนะีจะนั่งเย็นสบายเลยไหมไม่เนี่ยนะพอไปเห็นคนเจ็บภาพเนี่ยนะคนแก่แล้วมันก็ป่วยนะีย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 ต้นแขนทรงกําไลพระกรทองมงกุฎและก็กุนทนประดับด้วยรัตนะเ้าอัน ง, งดงามพระเมาลีก็ประดับด้วยมาลัยดอกไม้หอมอย่างยิ่งขณะนั้นพระทีปังกรราชกุมารอันช้าง8ปดหมสี่พันเชือกแวดล้อมแล้วเหมือนเทพกุมารเสด็จขึ้นสงคอช้างต้นอันหมูพลอันกองพลหมู่ใหญ่ห้อมล้อมแล้วสเสด็จเข้าสู่พระราชุทยาน ที่ให้เกิดความรื่นรมลงจากคอช้างแล้ว<ม>สเสด็จตรวจพระราชชุดยานนั้นประทับนั่งเหนือพื้นศิลาเป็นที่เย็นพระหฤทัยของพระองค์งามน่าชมอย่างยิ่งทรงเกิดความเกิดจิตความคิดจะบวชขึ้นในทันใดนั่นเองที่จริงแสดงว่าท่านเห็นหน้าลูกแล้ว่ะจึงออกมาออกมาเดี๋ยวถ้าเห็นหน้าลูกแล้วก็พักเข้าไปพักที่สวนซะหน่อยเนี่ยเออนักเออบวชหน้าจะดีเนี่ยไง ท่นใดนั้นเองเท้ามหาพรหมผู้เป็นพระขีนาศบชั้นสุทาวาสถือเอาสมณาบริขารมาปรากฏในคลองจัดสุขของพระมหาบุรุษพอคิดจะบวชมีคนถวายผ้าเลยเนี่ยนะลงเรื่องมีคนเขาตเตรียมบาตรเตรียมบริขารไว้ยังบาตรหน้าถ้าเจ้าไม่ได้ใช้หรอกดูท่าแนละ้วพระมหาบุรุษเนี่ยนะทรงเห็นมหาพรหมเท้าขีนาศบคือขีนาศบแปล ว, ว่าพระอรหันเนี่ยนะพรหมผู้เป็นพระอรหัน ก็ตรัสถามวันนี้อะไรทรงสดับว่าสมณะบริขารพระองค์ก็ทรงเครื่องเครื่องประดับประทานไว้ในมือพนักงานผู้รักษาเรือนคลังเครื่องประดับพระองค์ก็ถือพระขันมงคลตัดพระเกศาพร้อมด้วยพระมงกุฎเวียงไปในพระอากาศกลางหาวขณะนั้นเทา้าสกะเทวราชก็เอาพร ะ, พระอบทองรับพระเกศาและพระมงกุตนั้นไว้ทําเป็นมงกุฎเจดีสําเร็จด้วยแก้วมณีสีดอกอินทนิลขนาด3ามยอดเนื้อยอดเขาสิีรุ กรียกว่าเจดีทองอะนะข่ายบนอยู่บนยอดภูเขาทองอะนะครั้งนั้นพระมหาบุรุษทรงครองผ้ากาสาวะผ้าย้อมน้ำฝาดธงชัยแห่งพระหัต์ที่เทวดาทั้งหลายทรงเวียงผ้าเวียงผ้าคู่หรือผ้านุ่งผ้าห่มไปในอากาศพรหมก็รับเอาผ้านั้นทำเป็นเจดีที่สำเร็จด้วยรัตนะทั้งหมดขนาด12โยดในพรหมโลกก็บุรุษหนึ่งโกดบวชตามเสด็จพระทีปังกรราชกุมารซึ่งกาลังผนวด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 อันนี้ไม่ใช่แบบนางสุชาดาใช่แต่ชาวบ้านชาวเมืองเลยแหละแต่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ได้ถวายแด่พระมหาสัตว์พระองค์นั้นพร้อมทั้งบริษัทที่เสด็จเข้าไปบินธบาติข้าวมะทุปายาตไม่มีน้ำก็เพียงพอแก่ภิกษุทั้งหมดนับโกดแต่ในบาทของพระมหาบุรุษเทวดาทั้งหลายใส่ทิพโอชาลงไปพระมหาบุรุษนั้นครั้นเสวยมะุปายาตนั้นแล้วก็ทรงพักกลางวันณป่าสาล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 ปฐมยมยามเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องเจริญอนาปานสติพระองค์ก็กําหนดลมหายใจเข้าออกในชาตหนึ่งสอสาสออกจากชาตที่4ก็ระลึกชาตินะระลึกชาติตามที่พระองค์ประสงค์มัชชิมยามแห่งราตรีก็พิจารณาด้วยที่ประจัญสุพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายจุติปฏิสนธิหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมปัจฉิมยามแห่งราตรีตรีสองเป็นต้นไปก็เริ่มพิจารณาปัจจยาการทั้งอนุโลมและ ปฏิโลมเนี่ยนะออกจากปฏิจจะพิจารณาแล้วก็บรรลุโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลก็พิจารณาปฏิจจสมุูบาทอย่างเงี้ยซ้ำๆๆกัน4ครั้งก็แทงตลอดอริยสัตว์พันในช่วงที่เจริญพิจารณาปฏิจจสมุูบาทนั้นถือว่าพระองค์มีจตุตฐานเป็นบาสนี่นนะฌานที่เป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสสนาของพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องเป็น ชาญที่4เนี่ยนะต้องชาญที่4เป็นบาตรในการเจริญวิปัสนาพิจารณาความเกิดขึ้นแห่งขันห้าความดับแห่งขันห้าโดยอาการ50สเนี่ยนะเช่นชรามรณะเกิดเพราะอะไรเกิดชรามระชราแห่งรูปชราเวทนาชราสัญญาชราสังขารแล้วก็ความชราแห่งวิญญาณรูปเกิดเพราะอะไรเกิดวิชาตัญหากรรมและอาหาร รูปดับเพ่อไรดับอวิชาดับตันหาดับกรรมดับอาหารดับและวิปริณามลรคขณะเนี่ยนะก็พิจารณาเหตุเกิดความดับขันละ5เออขออภัยขันละสิมาเกิดโดยอาการ5ดับโดยอาการ5ต่อหนึ่งขันขันขัน5คูณ1 0ก็เท่ากับ50เห็นลักษณะการเกิดการดับอย่างขันห้าโดยอาการ50เจริญวิปัสสนาจนถึงโคตรภูยาน เวลาอรุโอะอารุโนไทหรือว่าอรุณบวกอุไทเนี่ยเขาเรอรุโนไทก็คือยามเช้ารุ่งอรุณตอนนั้นเนี่ยอรหัตตมรรคจริงๆก็มีการบรรลุโสดาปติมารสกธาคามิมรรคอนาคารมิมรรคอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาอารุโนไทพระองค์ก็แทงตลอดพระพุทธคุณทั้งสิ้นด้วยอริยมรรคขยานคืออรหัตตมรรคเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานพระองค์ก็บรรลุพระพุทธสีหนาถการบรรลุสีหนาถ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 ประกาศพระธรรมมาจากณสุนันทารามด้วยทรงปฏิญญารับอาราธนาแสดงธรรมของพรหมคือหมายความว่าผ่านไป7สัปดาห์เนี่ยพรหมก็มาอาราธนาพระองค์ก็แสดงพระธรรมาจากณสุนันทารามทรงอย่างเทวดาและมนุษย์ร้อยโกรธให้ดื่มอมตะธรรมเยอะนะแปลว่ากลุ่มพวกที่ออกบวชนี่บรรลุกันหมดทรงอย่างทรงหลังฝนคืออมตะธรรมเหมือนนะ เหมือนมหาเมฆทั้งสี่ทวีปเสด็จจาริกไปทั่วชนบทปลดเปลื้องมหาชนให้พ้นจากเครื่องพันธนาการได้ยินว่าครั้งนั้นโซเมตบันติตยับยั้งอยู่ด้วยสุกในสมาบัติไม่เห็นนิมิตเหล่านั้นไม่เห็นนิมิตแห่งการไหวของแผ่นดินนิมิตการประสูตรก็ไม่เห็น น, นี่มิตแห่งการปฏิสนธิก็ไม่เห็นนิมิตแห่งการประสูตก็ไม่เห็นนิมิตแห่งการตรัสรู้ก็ไม่เห็นนิมิตแห่งการแสดงธรรมาจากก็ไม่เคยเห็นทั้งทั้งที่แผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยทั่วหมือนจักรวาลก็ไม่รู้ไม่ทราบสักอย่างเพราะอะไรเพราะมีความสุขมากอนะลืมอย่างอื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็เลยตรัสเล่าให้ภาษารีบบทว่าเมื่อเราประสบความสําเร็จเป็นผู้ชํานาญในาศาสนาคืออภิญญาห้าสมาบัตแ8อย่างนี้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 ปัชชนติคือปฏิสนธิชายันเตคือการประสูตจากพระคันพุทธันเตการตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธยธรรมะเทเทสเนก็คือการประกาศพระธรรมจักรจะตุโรนิมิเตคือนิมิต4ประการคือปฏิสนธิประสู ต, ตรัสรู้ประกาศธรรมจักความจริงอธิบายว่านิมิตหมื่นโลกธาตุวันไว้เป็นต้นในฐานะ4ีเนี่ยนะนิมิต32ออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ย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 เป็นเมืองที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งประทับอยู่ณสุทัศน์มหาวิหารชาวรัมมนครฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระทีปังกรทศพลทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วสเสด็จจาริยกมาโดยลําดับถึงรัมมนครแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ณสุทัศน์มหาวิหารพระองค์ก็ถือเอาเพสัตว์มีเนยเป็นต้นฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วก็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 พันในวันรุ่งขึ้นชาวเมืองเหล่านั้นก็จัดอสศธิสะมหาทานะซึ่งอสศธิสะมหารานเนี่ยเป็นการให้ทานแข่งระหว่างชาวเมืองกับพระราชาเนี่ยนะว่าระหว่างพระราชากับชาวเมืองเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยใครจะทำบุญให้มันยิ่งกว่ากันได้เรียกว่าอสศธิสะมหาานไม่มีอะไรเสมอเหมือนอย่างทานแบบนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างมนดมุงบังด้วยดอกบัวขาบอันไร้มนทินและน่ารัก ประพรมไปด้วยของหอมสี่ชนิดโรยดอกไม้หอมครบห้าครบห้ารวมทั้งข้าวตอกตั้งหม้อน้ำเติมด้วยน้ำเย็นอร่อยเอาไว้สีม่มุมมนดบปิดบังด้วยใบตองผูกเพดานผ้างามหน้าชมอย่างยิ่งเสมือนดอกชบาเรียก ว, ว่าสีแดงใช่ดอกชบานี่ออกแดงๆกันนะหรือว่าดอกชบามีหลายพันแล้วก็เหมือนดอกชบาอาไว้ในบนมนดบประดับด้วยดาวทอง ดาวแก้วมณีและดาวเงินห้อยพวงพวงของหอมดอกไม้พวงใบไม้และพวงรัตนะสะเดาะวันเว่าอะไรนะสะเดาะวันเคราะร้ายด้วยทูบทั้งหลายมีการสะเดาะคราะห์เลยนะและทา ร, รัมมะนะครที่น่าเรื่อนรมนั้นให้สะอาดสะอ้านทั่วทั้งนครตั้งต้นกล้วยพร้อมทั้งผละนะกล้วยกระวัดตัดต้นกล้วยมาทั้งพร้อมลูกอะ่ะ คือประเพณีเหล่านี้เราอย่าไปคิดว่าไม่มีจริงนะทุกวันนี้เขาก็ยังทําไปแต่ว่าทําระดับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยนะก็มีทํากันทั่วไปหมดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลออกพรรษ า, านี่ทําเยอะมากหรือไม่ก็ช่วงฟังพระเวสสันดรเนี่ยทางทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานเนี่ยมีดาวทองดาวอะไรแขวนมีรูปนกรูปอะไรตัดต้นกล้วยต้นอ้อยมาผูกตามเสาตามอะไรเนี่ยอย่างที่ว่านี่มีอยู่จริงนะนะสมัยนี้เขายังทําเล ย, ยว่าสมัยโบราณเลยอย่างนั้น ทำชาวเมืองรัมยาคนครก็ทําให้สะอาดรื่นรมในสะอาดเท่ารับเอเปกว่าไ<ะ>่ราบก็ทํารับมีการชรําระบ้านชําระเมืองเลยแหละให้สะอาดสะอ้านทั่วทั้งนครทั้งต้นกล้วยพร้อมทั้งผลหม้อน้ําเต็มประดับด้วยดอกไม้ยกธงประตากทั้งหลายยกทงหลากสีเนี่ยนะเหมือนธงชาติเนี่ยมาตั้งไว้โชว์สวัยทั่วไปหมดล้อมด้วยกําแพงผ้าม่านทั้งสองข้างถนนใหญ่ตกแต่งทางสเสด็จมาของพระทีปังกรทศพลเนี่ยนะ คิดว่าทุกคนมาร่วมกันต้อนรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดแจงจัดการสถานที่อย่างเรียบร้อยใส่ดินฝุ่นลงตรงที่น้ำซาะถมตรงที่เป็นตมทาที่ครุขระให้เรียบโรยด้วยทรายที่เสมือนมุกดาปโปรยด้วยดอกไม้ครบห้าทั้ง ข, ข้าวตอกเนี่ยนะคิว่าวางข้าวตอกลงไปด้วยแล้วก็จัดหนทางที่มีต้นกล้วยต้นหมากพร้อมทั้งผลเอาไว้เนี่ยนะ สมัยนั้นท่านสุมเมธดาบทโลดขึ้นก็เหาะขึ้นจากอาสมของตนเหาะไปทางอากาศโดยส่วนเบื้องบนมนุษย์ชาว ร, รมนครเหล่านั้นสุมเมธดาบทเห็นพวกเขากำลังเพ่วถางหนทางและตกแต่งหนทางก็เลยคิดเกิดว่า เหตุอะไรเนาะทำไมกันโอ๊ยดูทุกคนเนี่ยทำอย่างมีความสุขหน้าชื่นตาบานเพราะทุกคนที่ทำรับเสด็จจะทําแบบเครียดเลยใช่ไหมมันเหมือนกับถู ก, กะถูกเกณฑมานะเครว่าเขาทาบูชาคนที่เขาเคารพที่สุดทุกคนจะยิ้มแย้มแจม่มใสมีความสุขเพลิดเพลินก็ลงมาจากอากาศถามว่าท่านเหท่านผู้เจริญพวกท่านแผ้วถางหนทางนี้เพื่อประโยชน์อะไรกล่าวเป็นคาถาว่า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 มหาชนผู้เกิดความโสมนัสยินดีร่าเริงใจแล้วก็พาถามว่ามหาชนผู้เกิดความโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจพวกท่านแผ้วถางหนทางเพื่อใครในนะมนุษย์เหล่านั้นถูกสุมเมธดาบทถามอย่างนี้แล้วก็ตอบว่าท่านสุมเมธเจ้าข้าแสดงว่ารู้จักชื่อเลยน ะ, ะท่านไม่รู้อะไรตําหนิซะก่อนเลยนะไปทําอะไรอยู่ว่างั้น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 ดีใจนะทุกคนเนีสร้างเรียกว่าถางทางเพื่อพระพุทธเจ้าเราถางทางในโลกนี้พระพุทธเจ้าชําระทางไปสู่เทวโลกแล้วก็ชําระทางไปสู่พระนิพพานเรียกว่าทําคนละทางกันนะนะพระพุทธเจ้าทําชําระทางอันประกอบไปด้วยองค์8มนุษย์ทั่วไปก็ทําทางที่ประกอบด้วยอิฐหินปูนทรายเนี่ยนะนะคนละเส้นกันนะนะ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 สุเมธบัณฑิตก็เลยกล่าวกับมนุษย์ชาวบ้านเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านแท่าทางทางเพื่อพระพุทธเจ้าอาศัยก็จงให้โอกาสแห่งหนึ่งแก่เราบ้างแม้เราก็จะร่วมกับพวกท่านช่วยแท่าทางหนทางเพื่อพระพุทธเจ้าพวกมนุษย์เหล่านั้นก็รับปากว่าดีสิว่ากั้นรู้อยู่ว่าสุเมธบัณฑิตผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก จึงกำหนดโอกาสแห่งหนึ่งซึ่งแพ้วถางอย่างไม่ดีเป็นสถานที่ถูกน้ำซาะพังครุคระยังเลือกเกินัแม้ถ้าจะมอบสักที่หนึ่งโอ้คนนี้พิเศษนะต้องให้ที่ทำยา ก, ยากหน่อยก็เลยมอบให้ด้วยกล่าวว่าขอท่านจงแพ้วถางโอกาสตรงนี้และตกแต่งให้ด้วยนะดูสิซะลึกขนาดไหนสุเมตบัณดิตก็เกิดปีติมีพระพุทธคนเป็นอารมณ์น่ลึกถึงแต่พระพุทธเจ้ามีปีติเอือิอปราบเพิ่มคิดว่า เราสามารถที่จะทําโอกาสแห่งนี้ให้หน้ า, านะให้หน้าชมอย่างยิ่งได้ด้วยฤทธิ์แต่เมื่อทําอย่างนั้นก็ยังไม่จุใจเราหมายความว่าใช้คนอื่นทําก็ได้ใช้ฤทธิ์ทำก็ได้ไม่ยากอะไรแต่ว่ามันไม่เหมือนกับทําด้วยมือตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะช่วยขวนขวายด้วยกายยิงจะสมควรต้องสละแรงกายเลยแหละแล้วก็เลยนําดินฝุน่นมาถมณนะประเทศแห่งนั้นให้เต็มเนยนะ ผมยังไม่เต็มเขาเจออะไรขึ้นก่อนอย่าพักก่อนก็นแล้วกันแล้วค่อยว่าถมทางทําทาง